เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั่นที่พระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงสั่งสอนเป็นสวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิพระภากเจ้าตรัสดีแล้ว สันดิิโกเป็นธรรมะอันผูปฏิบัติได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบวยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปะณิโก ควนน้อมเข้ามาซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับจนถึงควรน้อมเข้ามาด้วยสติระลึกกำหนดญาณปรีชาอย่างรู้ในเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเวทนานี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกขึ้นเพื่อปฏิบัติกาหนดเวทนา เพื่อนนายไม่ยึดถือในเวทนาว่าเป็นทางปฏิบัติดับตันหาความริ้นรนทยานอยากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าเวทนาเป็นเรื่องสำคัญของทุกๆุคนซึ่งนำให้ เกิดตัณหาความริ่นรนทยานอยากทั้งในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นต น, นตรัสไว้ว่าเวทนาปฏิยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความริ่นรนทยานอยากดังนี้อันอิเลส คือตัณหาติปัดว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยโดยตรงก็ดีหรือกิเลสกองราคะความติดใจ ย, ยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้กองโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง กองโมหะความหลงก็ดีที่มังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลย่อมเนื่องมาจากเวทนาโดยปกติคือเมื่อได้สุขโสมนัสเวทนาในอารมณ์อันใดในสิ่งอันใด ก็นำให้เกิดราคะหรือโลภะในอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นเมื่อได้ทุกโธมนัตในอารมณ์อันใดหรือในสิ่งอันใดก็นำให้เกิดโทสะในอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นเมื่อได้อุเบกขาเวทนา ในอารมณ์อันใดในสิ่งอันใดและไม่ได้พิจารณาก็นำให้เกิดโมหะคือความหลงหรือว่าความไม่รู้ตามเป็นจริงในอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นดังนี้และเพราะกิเลสทื่บังเกิด กิเลสที่บังเกิดขึ้นนี้เองจึงก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมต่างๆที่เป็นบาปอากุศลพุจธิิตต่างๆอย่างร้ายแรงบ้างอย่างกลางๆบ้างหรืออย่างเบาบ้างสุดแต่กำลังอำนาจของกิเลส ที่บังเกิดขึ้นนั้นเมื่อบังเกิดกิเลสก่อบาปอากุศลกรรมต่างๆขึ้นดังนี้จึงทำให้ภูมิพื้นแหง่งจิตใจของบุคคลแต่ละคนนั้นเป็นไปตามกิเลสและกรรมเป็นวิบากคือผลซึ่งบังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เอง ในขณะที่ยังเป็นบุรุษชายหญิงอยู่ในโลกนี้นี่แหละร่างกายนั้นก็เป็นคนเป็นมนุษย์แต่ว่าภูมิพื้นทางจิตใจนั้นไม่เป็นคนไม่เป็นมนุษย์ก็ได้ในเมื่อปฏิบัติ ประกอบอกุศนละก ร, รมต่างๆไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกกันว่ามนุษยเเเ์เนริยโกมนุษย์นรกคือร่างกายเป็นคนแต่ว่าพืมพู่นภูมิพื้นทาง จ, จิตใจนั้น เป็นนรกเพราะประกอบกรรมที่เป็นบาปอากุศลอย่างแรงด้วยอำนาจของกิเลสตัณหายอย่างแรงเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตบ้างก็เพราะ กิเลสและกรรมที่ประกอบกระทํำที่เปลี่ยนภูมิพื้นของ จ, จิตใจให้เป็นเปรตมีความหิวระหายอยู่เสมอหรือดังที่เรียกว่ามนุษสติริชานโนมนุษย์เรริชานก็เพราะกิเลสและกรรมที่ประกอบกระทํา โดยปราศจากฮิริโอตตปะเหมือนอย่างสัตว์ในฌานถ้าหากว่าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักมีสติกำหนดรู้ญาณความอย่างรู้ในเวทนาอยู่ ดังที่ตัดสอนไว้ว่าให้พิจารณาว่าเวทนาเป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้สุขโสมนัส ก, ก็มีสติกำหนดให้รู้จักดังนี้เวทนาดังกล่าวก็จะไม่นำให้เกิด ราคะโลภในอารมณ์หรือในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสุกโสมนัสนั้นเมื่อได้ทุกโสมนัสก็มีสติมีญาณกำหนดรู้อย่างรู้ดังนั้นก็จะทำให้ระงับใจได้อีกเช่นเดียวกันเวทนาดังกล่าว ไม่นำให้เกิดโทสะและเมื่อประสบอุเบกขาเวทนาก็ทำสติระยานกำหนดรู้อย่างรู้ดังกล่าวไม่ปล่อยให้เป็นไปโดยไม่รู้ก็จะทำให้ทวีปัญญาคือความอย่างรู้ทวีสติคือความเลิกได้ดีขึ้น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 เป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พ้นจากความหลงถือเอาผิดและความไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้และเมื่อเป็นดังนี้เวทนาจึงไม่นำให้เกิดกิเลสตัณหาอันนำให้ประกอบนักกุศลกรรมต้องเปลี่ยนภูมิภพของจิตใจ เป็นไปในทางทุกขติขติที่ไม่ดีต่างๆดังที่กล่าวแต่เวทนานี้เองก็จะสนับสนุนใจให้มีพลังในอันที่จะละชั่วทำดีจึงทำให้เป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่ามนุษย์สมมนุษย์โส มนุษย์ที่เป็นมนุษย์คือที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมซึ่งมนุษย์ควรจะตั้งอยู่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาคือเป็นภูที่มี ศีลธรรมมีฮิริมีอดตะปะมีสุขธรรมธรรมะที่ขาวสะอาดทางกายทางวาจาทางใจมีความสงบกายวาจาใจยิ่งขึ้นหรือยิ่งกันไปกว่านั้นก็เป็นมนุษย์อริโยมนุษย์ผู้เป็นอริยะดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยาสาวกทั้งหลายทุกชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่เมื่อทรงสั่งสอนท่านพระอัครสาวกทั้งสองคือพระโมคขลานะและพระสารีบุตรเมื่อก่อนที่ท่านจะได้บรรลุ ถึงอรหันตมักอรหัตผลเป็นพระอรหันตขีนาศดังที่มีแสดงไว้ว่าทันพระโมคคัลานะได้กราบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรยังจะเป็นอันคือว่า น้อมไปในธรรมที่ละตันหาคือความริ้นรนที่ยันยากพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนโดยความว่าอริยสาวกเมื่อได้สดับว่า ร, รมทั้งปวงไม่พึงยึดมัน่น ดังนี้แล้วก็ให้ปัญญาพิจารณาให้รู้ชัดธรรมทั้งปวงและเมื่อรู้ชัดธรรมทั้งปวงก็กําหนดรู้ธรรมทั้งปวงเมื่อกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้เมื่อได้เสวยเวทนาอะไรจะเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดีเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีก็ไม่ยึดมัน่นเมื่อไม่ยึดมัน่นก็ยอมคลายความติดใจยินดีเพราะมีความเบื่อหน่ายหรือเมื่อกล่าวโดยลำดับเมื่อ เราเมยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามก็น้อมระลึกถึงคำสั่งสอนที่ในสนับมาว่าทาทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นจึงพิจารณาเวทนาใ้เห็นว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง เป็นทุกต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมบังเกิดความนายเมื่อนายก็สิ้นติดใจยินดีไม่ยึดมัน่นเมื่อไร่ยึดมัน่นก็ไม่ตรองสะดุง้งดับกิเลสได้เฉพาะตัวดังนี้ ท่านพระโมคขลานะก็ได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็ได้บรรลุผลสูงสุดในพุทธศาสนาแม้ท่านระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแก่ทีฆนาขคอกิเวสนโคตร ในถร้รมสุกรขาตาบนเขาคิดจะกกดพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนแต่ท่านปริพาชกผู้นั้นซึ่งมีท่านประสาริบุตรนั่งเฝ้าอยู่ด้วยโดยที่ท่านปริพาชกผู้นั้นได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ทิฏฐิคือความคิดเห็นทุกอย่างตนไม่ชอบใจทั้งหมดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นทิฏฐิคือความหตคิดเห็นของท่านตามที่ท่านได้กล่าวนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านเช่นเดียวกันจึงได้ตรัสสอน ตอบไปว่าคนในโลกนี้ก็มีทิฏฐิต่างกันอยู่สามจำพวกตื่นจำพวกหนึ่งก็เห็นว่าทิฏฐิความคิดเห็นทั้งหมดไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบใจทั้งหมดจำพวกที่สองก็ เห็นว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งปวงควรแก่ตนตนชอบใจทั้งหมดจำพวกที่สามตัวเห็นว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งปวงบางอย่างก็ควรแก่ตนตนชอบบางอย่างก็ไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามันดา ทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งสามนี่จำพวกที่ว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งหมดไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบใจทั้งหมดก็เป็นไปในข้างโทสะความขัดใจไม่ชอบใจวายที่เห็นว่าควรแก่ตนทั้งหมดชอบใจทั้งหมด ก็เป็นไปในฝ่ายราคะความติดใจยินดีฝ่ายที่เห็นว่าควรแก่ตนชอบใจตนบางอย่างไม่ควรแก่ตนไม่ชอบใจตนบางอย่างก็เป็นไปในด้านราคะความติดใจยินดีบ้างโทสะ ความขัดใจไม่ชอบใจบ้างเพราะฉะนั้นจึงควรละทิฏฐิความคิดเห็นที่เป็นไปดังนั้นทั้งหมดโดยไม่ยึดมัน่นในทิฏฐิคือความคิดเห็นอันใดอันหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีความยึดมั่นอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อความวิวาด เพื่อความพิฆาตหมายมั่นและเพื่อความเบ็ดเบียนแต่เมื่อไม่ยึดถือทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบและพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนอบรมต่อไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นทรงยกกายขึ้นแสดง ว่ากายอันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นี้เป็นกายที่ต้องอบต้องลมให้หายกลิ่นต้องถัดสีมนถิ่นกายกันอยู่เป็นประจำเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณากายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงก็จะ ไม่ติดใจยินดีในกามทั้งหลายและเมื่อเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้พิจารณาคือในขณะที่เสวยสุขเวทนาก็ยอมไม่เสวยทุกขเวทนาอุเบขาเวทนา ในขณะที่เสวยทุกขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาอุเบขาเวทนาในขณะที่เสวยอุเบขาเวทนาก็ไม่เสวยสุขเวทนาไม่เสวยทุกขเวทนาย่อมเสวยเวทนาในเวลาหนึ่งแต่เพียงอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็อุเบกขาและเวทนาที่สวยนี้ก็บังเกิดขึ้นตามปัจจัยและก็ต้องเสื่อมไปจางไปสลายไปเมื่อพิจารณาให้เห็นเวทนาตามเป็นจริงดังนี้ก็จะเมื่อหน่าย จะคลายความติดใจ ย, ยินดีจะยึดจะหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมัน่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมะที่ทรงแสดงแต่ท่านปริพาชกนั่นก็เข้าใจในธรรมะที่ทรงแสดงว่าตรัสสอนไม่ให้ยึดมัน่น อะไรอะไรในโลกก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ะีนาศพดังนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเวทนาจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อหัดทาสติกำหนดเวทนาที่ประสบอยู่ ให้รู้ตามเป็นจริงเมื่อเป็นอันนีจ้จะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นการกันไม่ให้กิเลสตัณหาบาังเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นก็ไม่เกิดอกุศล ก, กรรมต่างๆซึ่งบังเกิดสืิมเรื่องไปจากกิเลสตัณหา ราะฉะนั้นการที่มาตั้งสติกำหนดเวทนาดังนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติน้อมไปเพื่อธรรมะที่สิ้นตัญหาก็คือเป็นโอปัญิโกน้อมไปเพื่อธรรมะที่สิ้นตัญหาอันเป็น วัตถุทประสงค์แห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและเป็นการปฏิบัติที่แม้ยังไม่สิ้นตันหาได้ก็เป็นการสกัดกัน้นไม่ให้ตันหามาเกิดขึ้นไม่ให้กิเลสมาเกิดขึ้นอันสืบจากเวทนาหรือว่ามาเกิดขึ้น ก็ไม่มากไม่มีกำลังเต็มที่เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติบันเทอกิเลสไปด้วยฉะนั้นโอปัญิโกคือปฏิบัติน้อมจิตไปเพื่อสิ้นตัณหานี้จึงชื่อว่า เป็นการปฏิบัติที่ถูกตรงต่อพระธรรมคุณบทนี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งอยู่ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป